วันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม มาฟังคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะบอกวิธีให้พวกเราได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเราที่ได้ทิ้งมรดกคือทรัพย์อันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรา พวกเราต้องมาเปิดพิัยกรรมมาดูพินัยกรรมว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบอะไรให้กับพวกเราและวิธีที่พวกเราจะได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าจะต้องทําอย่างไรบ้างขั้นตอนของการรับมรดกอันล้ําค่า คือมรคนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเปรียบได้ทำได้เหมือนกับมรดกของพระพุทธเจ้า การที่เราจะได้รับมรดกนี้มีขั้นตอนอยู่สามขั้นตอนด้วยกันที่เราจะต้องกระทำกันถ้าเราทำตามขั้นตอนที่มีระบุไว้ในพินัยกรรมได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า น, ะนี่เป็นเหมือนพินัยกรรมที่จะมอบ มรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอันล้ำค่านี้ได้ถ้าพวกเราปฏิบัติตามขั้นตอนสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าปริยัติหรือแปลว่าปรึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ขั้นตอนที่สองหลังจากที่ได้ศึกษาแล้ ว, ร, วรู้วิธีที่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับมรดกอันล้ำค่านี้ปฏิบัติอย่างไรก็นำเอาไปปฏิบัติกันพอปฏิบัติกันแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่สามคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการได้รับมรดกขั้นต่างๆ ก็จะเป็นผลตามมาในขั้นที่สามนี่คือพินัยกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีได้ทรงระบุไว้ให้พวกเราผู้ที่อยากจะได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้กระทําตามกันถ้าไม่กระทําตามขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนนี้ มารดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นของพวกเราดัางนั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องทํากันก็คือศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมการศึกษานี้พระพุทธเจ้าส่งให้ความสําคัญ ด้วยพระ อ, องค์เองเพราะตลอดระยะเวลา45ปีหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรุพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระ อ, องค์ก็ใช้เวลา45ปีนี้ มาอบรมสั่งสอนให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ศรัทธาญาติโยมพุทธบอยสั์สีทั้งภิกษุภิกษุณีทรงมีการแสดงธรรมทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันทุกวันแล้วก็สี่สิบห้าปีด้วยกัน นี่คือความสําคัญของปริยัติธรรมคือการศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมรอบรอบบายทรงแสดงให้แก่ศรัทธาญาติโยมอย่างพวกเราที่มาฟังธรรมกันในตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมใน ตอนบ่ายให้แก่ศรัทธาญาติโยมเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองในายามค่ำคืนก็ทรงแสดงทำให้แก่ภิกษุภิกษุณีและสามนเณรในรอบที่สามในายามดึกทรงแสดงทำโปรดพวกเทวดาและในายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาต ทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดแสดงธรรมให้กับใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นออบุคคลที่อาจจะพร้อมต่อการรับธรรมอันประเสริฐไปปฏิบัติและบรรลุได้แต่มีเวลาน้อยคือชีวิตอาจจะใกล้ถึงความตาย ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นก่อนในวันนั้นนี่คือภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติทุกวันเรียกว่าพุทธกิจห้าภารกิจข้อที่ห้าที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำก็คือทรงเสด็จออกโปรดสัตว์บิณฑบาตโปรดสัตว์เลี้ยงชีพของพระองค์นี่คือ หน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทุกวันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วคือทรงแสดงธรรมในตอนบ่ายให้ศรัทธาญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีสามเณรตอนเดึกแสดงธรรมให้แก่พวกเทวดาทั้งหลายตอนเช้าก่อนที่จ ะ, จะเสด็จออกบิณฑบาต ทรงเร็งยานดูว่าจะไปสะแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่แหละความสำคัญของการศึกษาเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีวันที่จะ ไบรับมรดกอันน้ำค่าคือพระนิพพานจากพระพุทธเจ้าได้เลยเราต้องศึกษาวิธีที่จะทำให้เราไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ปฏิบัติผลคือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติ คือมากผลนิพพานมะระดกอันน้ำค่าก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเบื้องต้นเราต้องศึกษาแนวทางให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อถ้าเราศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติผล อันมรดกอันร่ำคาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเลย<ม>เราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องมเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการกันเช่นเดียวกันดังนั้นเราข้ามขั้นตอนสามขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ ต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้รับผลคือมรดกของพระพุทธเจ้าการศึกษาเช่นเวลาฟังธรรมนี้ ก็ต้องรู้จักวิธีศึกษาที่ถูกต้องอการศึกษาที่ถูกต้องนี้ต้องศึกษาด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบศึกษาจะไม่เข้าใจจะไม่รู้เรื่องเพราะถ้าเราฟังทำไปแล้วเราทำอะไรไปด้วยร่างกายเราไม่สงบ ร่างกายเราเคลื่อนไหวทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ถือโอกาสฟังธรรมไปด้วยฟังธรรมแบบนี้จะไม่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าใจต้องแบ่งไปสองที่ด้วยกันแบ่งไปที่งานที่กำลังทำอยู่กับแบ่งมากับการฟังธรรม พอจะทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไปทีเดียวไม่ได้ถ้าฟังทมก็จะไม่ได้ใจก็ไม่ได้อยู่กับงานที่กำลังทำถ้าใจกลับมาอยู่ที่งานที่กำลังทาก็จะไม่ได้ฟังทำญาติโยมบางท่านคิดว่าเวลาทำงานทาการเปิดธรรมะฟังไปด้วยจะได้ประโยชน์ อันนี้ก็ได้แต่ได้ไม่มากเท่าที่ควรไม่ได้ร้อยเปอร์เซนได้เพียงห้าสิบเอร์เซนตเพราะว่าเวลาทำงานเราก็ต้องแบ่งใจมาที่งานที่เรากำลังทำอยู่แล้วเราก็ต้องแบ่งใจอีกครึ่งหนึ่งไปที่การฟังธรรมใจของเราก็จะแกว่งไปแกว่งมา ระหว่างการฟังธรรมกับการทํางานของเร า, เาการฟังธรรมก็จะไม่ต่อเนื่องช่วงที่เราทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอยู่กับงานที่เราทําเราก็จะไม่ได้ฟังธรรมถึงแม้จะได้ยินเสียงธรรมแต่เราจะไม่เข้าใจว่าเรากําลังได้ยินได้ฟังอะไรดังนั้นถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ อันสูงสุดจากการฟังธรรมเพื่อจะได้ได้รู้วิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นว่าปฏิบัติอย่างไรเราจึงไม่ควรที่จะทำอะไรควรจะนั่งเฉยๆก็เ ร, เรียกว่าสงบกายแล้วก็ต้องสงบวาจาคือเราต้องไม่พูดคุยกัน เพราะถ้าพูดคุยกันใจของเราก็ต้องแกว่งไปแกว่งมากับการพูดคุยกันกับการฟังธรรม เ, ออเวลาที่เราพูดคุยกันเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมถึงแม้จะได้ยินเสียงธรรมแต่มันจะไม่เข้ามาในใจจะ เ, เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเพราะเราไม่ได้เอามานึกคิดตามเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเออเรามัวแต่คุยกันเออ ก็เลยไม่รู้ว่ากาลังฟังอะไรอยู่เพราะไปรู้อยู่กับการพูดคุยกันดังนั้นการฟังธรรมนอกจากให้สงบกายแล้วก็ต้องสงบวาจ า, าสงบวาจาแล้วยังต้องมาสงบใจด้วยต้องสงบทั้งสามส่วนด้วยกันสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจ สงบใจก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังธรรมให้ตั้งใจฟังจดจ่อใจให้อยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วก็รับเข้าไปในใจด้วยสติถ้าไม่มีสติในการฟังธรรมคือปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงธรรมก็จะไม่เข้าสู่ใจ จะเข้าเพียงที่หูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปฟังธรรมแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าได้ยินได้ฟังอะไรบ้างก็จะไม่รู้วิธีการรับมรดกที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้านี้รับอย่างไรนั่นเองการฟังธรรมที่จะได้ประโยชน์เต็มร้อย จึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมหรือเป็นการอ่านหนังสือธรรมะก็เช่นกันเวลาหนังสือธรรมะก็ต้องมีสติมีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือธรรมะเช่นกันกายวาจาใจก็ต้องสงบเช่นกันถึงจะอ่านแล้วรู้เรื่องถึงจะเข้าใจว่าวิธีการรับมรดกของพระพุทธเจ้านี้ ต้องรับอย่างไรนี่คือขบวนการการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติธรรมต้องศึกษาด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบเราเรียกว่าศีลว่าใจสงบเรียกว่าสมาธิถ้ากายวาจาใจไม่สงบก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิ เมื่อไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาที่เกิดจากศีลสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นมาไดออ้การที่จะเกิดปัญญาความรู้ที่ถูกต้องจำเป็นที่จะต้องมีศีลสมาธิเป็นผู้สนับสนุนออถ้าปัญญาความรู้นี้เหมือนกับอาหารการที่เราจะเก็บอาหารไว้มารับประทานได้ เราต้องมีจานมีภาชนะไปรองรับนะเช่นเวลาเราจะรับประทานอาหารสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมกันก็คือจานกับช้อนพอมีจานกับช้อนเราก็ไปตักข้าวตักกับข้าวแล้วเราก็มารับประทานได้ธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนอาหารของใจการที่เราจะรับประทานธรรมะคืออาหารของใจได้ เราต้องมีภาชนะรองรับอาหารของใจคือปัญญาความรู้ก็คือเราต้องมีศีลมีสมาธินี่เองนี่แหละคือวิธีการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติธรรมถ้าเราศึกษาด้วยศีลด้วยสมาธิเป็นผู้สนับสนุนการรับการรับความรู้จากพระพุทธเจ้า คือธรรมะที่ทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัตนะิเราก็จะได้รับธรรมะที่ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์รนะ้อเนตพอเราได้ธรรมะครบถ้วนร้อเรซ์เราก็จะนําเอาไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนร้อเพอเราปฏิบัติด้วยความรู้ที่ได้เรียนรู้มา ตามตามความรู้ที่ได้เรียนรู้มาครบถ้วนทุกองค์ประกอบผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก <c oughs> ็จะเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอน <c oughs> เพราะว่ามรรคผลนิพพานนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้ที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปรับมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้านี้ได้ถ้าเรามีกุญแจรหรือมีเครื่องมือที่จะไปรับมรดกอันนี้เครื่องมือก็คือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนะี่ย ปริยัตยิก็คือการศึกษาปฏิบัติก็คือการนำเอาสิ่งที่เราศึกษาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดธรรมะคือมรรคผลนิพพานมรดกของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้เสือ่อมไม่ได้หายไปตามการตามเวลาเป็นของสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีวิธีการเปิดตู้เปิดเตา เ, เตาอบที่บรรจุอาหารอันลอเลิศเลิศลิของพระพุทธเจ้าถ้าเราเปิดตู้เปิดเตาอบที่เก็บอาหาร เราก็จะได้อาหารสดๆสดร้อนๆคือมรรคผลนผิพานนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเก่าไม่มีวันแก่เป็นของใหม่ตลอดเวลาเหมือนกับสิ่งที่ผลิตออกมาจากโรงงานเอาอมาสดๆสดร้อนๆรถยนต์ผลิตออกมานี่เป็นของใหม่เอี่ยมโทรศัพท์มือถือที่ผลิตออกมานี่เป็นของใหม่เอี่ยม มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าแม้จะมีการแสดงในตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ตามเวลาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นกับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสมัยนี้ ก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างใดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นตเพราะนี่คืออากาลิโกทำที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เป็นอากาลิโกเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไร สินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาพอวันเวลาผ่านไปสินค้านั้นก็เสื่อมหมดสภาพไปหมดใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นเราย้อนกลับไปดูโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆดูมาวันนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่มันหมดสภาพไปมันหมดไปตามการตามเวลาเพราะ โลกมีการพัฒนากันอยู่เรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในอดีตก็กลายเป็นของเก่ากลายเป็นของไร้ประโยชน์ไปแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับพวกเราคือมรรคผลนิพพานนี้จะไม่มีวันเสื่อม ไม่มีมนหมดไปตามการตามเวลาเอจะเป็นของใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่เพิ่งยกออกมาจากเตาสดสดร้อนร้อนให้รสชาติอันอเ็ดอร่อยเอนังที่ได้ทรงตัดไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเอผู้ใดได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถ ที่เลิศที่ประเสริฐที่เป็นของสดสดร้อนร้อนไม่ใช่เป็นของเก่าที่เอามาอุ่นใหม่แต่เป็นของใหม่นี่คือมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราคือให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราอาจจะไม่รู้สสีอด้วยซ้ำไปว่าพวกเรานี้กำลัง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือในภพต่างๆสังสารวัฏนี้มีภพอยู่สามภพด้วยกันเรียกว่ากามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ยังเสพกามอย่างพวกเรานี้ พวกเรานี่เสพกามเราก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์เดรัจฉานเขาก็เสพกามเหมือนกันแต่เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานมากกว่าเพราะเขาทำบาปทำกรรมไว้ นอกจากมนุษย์และสัตว์ในรานที่เสพกามแล้วยังมีกายทิพย์หรือดวงวิญญาณที่เสพกามอยู่ถ้าเป็นพวกที่ทําบุญก็เป็นพวกเทวดาเป็นพวกที่ได้ทําบุญก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขอยู่ในสวรรค์ส่วนพวกที่ทําบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ ทุกข์ด้วยความหิวโหยทุกข์ด้วยความหวาดกลัวทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆนี่นี่คือจิตใจหรือดวงวิญญาณของผู้ที่เสพกามจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามมาพบมาเป็นมนุษย์ เาเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายพอตายไปดวงวิญญาณก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทํากันถ้าเป็นบุญก็ไปเป็นเทวดาเป็นดวงวิญญาณอยู่ในสวรรค์ถ้าทําบาปก็ไปเป็นดวงวิญญาณอยู่ในอบายเป็นเปรตเป็นนอสุ ล, ลกายเป็นนรกนี่คือพบตามมาพบหนึ่งในสามพบพบที่สองเรียกว่า รูปภพนะรูปภพนี้เป็นภพของผู้ที่ได้สำเร็จฌานขั้นต่างๆผู้ที่สามารถถือศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าสู่ฌานระดับรูปปัานได้ก็จะไปเกิดในรูปภพเนะีเป็นสวรรค์ชั้นพรมนะเรียกว่ารูปปรจพรมนะเป็นวสวรรค์ที่มีความสุข กว่าสวรรค์ชั้นเทพที่เกิดจากการทําบุญทําทานแล้วภพที่สามเป็นภพที่ละเอียดน่มีความสุขมากกว่าภพที่สองและภพที่หนึ่งคือเรียกว่าอารูปภพอรูปภพนี้ก็คือภพสําหรับผู้ที่สามารถเข้าฌานขั้นอรูปฌปานได้ถ้าเข้าสู่ขั้นอรูปฌปานได้ ที่เป็นฌานที่สงบและละเอียดกว่ารูปฌปานที่ให้ความสุขมากกว่ารูปฌปานก็จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นอารู ป, ประพรมหรืออยู่ในอาู ป, ปะพบนแต่พบทั้งสามนี้มีวันเสื่อมลงมีวันหมดเช่นไปถึงขั้นอารู ป, ประพบก็อยู่ไปจนกว่า บนนุญนสมาธิหมดกำลังลงเพราะฌานเสื่อมลงก็จะเลื่อนลงจากอารูปภพมาสู่รูปภพเน่มาสู่สวรรค์ชั้นที่สองแล้วพอเสื่อมจากสวรรค์ชั้นที่สองก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือสวรรค์ของชั้นเทพเแล้วจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็ตายไปแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ถ้ากลับมาทำบุญไม่ทำบาปในทางตรงการข้ามถ้ากลับมาแล้วไม่ทำบุญกลับไปทำบาปก็จะเสื่อมลงไปสู่อบายที่มีอยู่สี่พบด้วยมีอยู่สี สี่ระดับด้วยกันระดับเดชนระดับเปรตระดับปัศวลกายและระดับนรกนี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราพวกเราตายไปนี้เราก็ยังไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าเราจองตั๋วจะไปที่ไหนกันแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ได้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันเพราะว่า เราจะรู้ว่าเหตุที่จะพาให้เราไปอาบายมีอะไรบ้างเหตุที่จะพาให้เราไปสวรรค์ชั้นเทพมีอะไรบ้างเหตุที่จะพาให้เราไปสู่รูปภพหรืออรูปภพมีอะไรบ้างถ้าเรารู้เหตุเ ห, เหล่านี้แล้วเรารู้ว่าเรากําลังจ ะ, จะเจริญเหตุอย่างไหนเราก็จะรู้โดยที่ไม่ต้องไปถามใครถ้าตอนนี้เรามัวแต่ทําบาป โดยที่เราไม่เชื่อว่าบาปนี้มีจริงเิดว่าการทำบาปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็คิดว่าบาปนี้ไม่มีหรืไม่มีไม่มีผลกระทบกับเขาเพราะว่าเวลาตายไปใครจะไปรับผลบาปที่เขาทำเพราะร่างกายนี้ตายไปเขาก็คิดว่าจบตายแล้วศูนย์ เขาทเขาก็เลยทำบาปด้วยการเพื่อเพื่อรักษาชีวิตของเขาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่พอเขาตายไปนี่เขาต้องไปเป็นเดลชานส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆก็ทำบาปดีกว่ า, าทำงานเงินเดือนน้อย ไปขโมยของไปโกงไปโกหกหลอกลวงได้เงินมากกว่าทําแบบนี้ดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเปรตต่อไปอันนี้เราสามารถรู้ได้ถ้าเรามาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคําสอนของพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนแผนที่บอกสถานที่ต่างๆที่เราอาจจะ หลงไปโดยที่เราไม่ไม่ต้องการไปก็ได้แต่ถ้าเรามีแผนที่พอเรารู้ว่าเรากําลังจะไปในทางที่ไปสถานที่ที่เราไม่ต้องการจะไปเช่นไปเกิดเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตเราก็ยูเทิร์นได้เราก็ขับกับรถ ข, ขับได้ถ้าเรามีแผนที่ แต่ถ้าเราไม่มีแผนที่เรากำลังคิดว่าเรากำลังไปที่ดีกันแต่ความจริงมันไม่เป็นที่ดีเราก็จะไปกันเพราะความหลงคิดว่ามันเป็นที่ดีกันคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนแผนที่ที่จะบอกสถานที่ต่างๆที่เรากำลังจะไปถึงกันว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันถ้าเรามาศึกษาเราก็จะได้รู้ว่า การที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่เราต้องออกจากไตรภพต้องเดินทางออกจากไตรภพเช่นถ้าเราต้องการไปเชียงใหม่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องออกเดินทางจากที่นี่ไปถ้าเรายังเวียนอยู่แถวนี้เราก็จะไปไ ป, ไปไม่ถึงเชียงใหม่เราก็ต้องเลือกถนนเลือกทางที่จะพาไปเชียงใหม่ ถนนที่จะพาเราไปเชียงใหม่ต้องเป็นถนนที่ขึ้นไปทางเหนือถ้าถนนที่จะลงไปทางใต้มันก็จะพาเราไปไม่ถึงเชียงใหม่เราก็ต้องอย่าไปทางที่พาเราไปทางใต้เราต้องเลือกทางที่พาเราไปทางเหนือคำสอนของพระเจ้านี้ก็สอนให้พวกเราออกเดินทางจากภพมนุษย์ที่เราเป็นกันอยู่ในตอนนี้ ให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานให้เราไปสู่พระนิพพานให้หลุดออกจากตายภพการจะหลุดออกจากตายภพได้ขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องอปิดประตูปิดทางที่จะพาเราไปอบายเราต้องไม่ไปทางทิศใต้ถ้าเราจะไปเชียงใหม่พอถนนนี้ บอกว่าจะไปถึงภูเก็ตนี่เราก็ต้องเลี้ยวกลับไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ทางที่เราต้องไม่ใช่ทิศไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการไปเราต้องการไปเชียงใหม <aları. S 1> ่ฉันใดการกระทาที่จะพาให้เราไปอบายเราก็ต้องหยุดกระทาถ้าเราไม่ต้องการจะไปอบายก่อนที่เราจะไปสวรรค์ดได้เราต้องปิดประตูอบายก่อนเราต้องหยุดการไปอบายก่อนนั่นเอง Jean พอเรารู้ว่าการกระทาแบบนี้จะพาให้เราไปอบายเราก็ต้องหยุดการกระทำนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราละการกระทาบาปทั้งปวงละการเสพอบายามุกทั้งปวงเพราะว่าการกระทาบาปนี้แหละเป็นการพาเราไปสู่อบายนั่นเองคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นการกระทำที่จะพาให้เราไปอบายกันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกกันถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปอบายเราก็ต้องหยุดหยุดการกระทบาบาปหยุดฆ่าสัตว์หยุดลักทรัพย์หยุดประพฤติผิดประเวณี หยุดการโกหกพูดปดนในการที่เราจะหยุดอบายได้เราก็ต้องหยุดการเสพอบายามุกเพราะการเสพอบายามุกนี้จะทำให้เราไปกระทําบาปกันนั่นเองอบายามุกนี้เป็นเหมือนอผู้สนับสนุนให้เราไปกระทําบาปถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนให้เราไปกระทํบาบาปเราก็จะไม่ต้องไปกระทําบาป ทำไมอบายามุกถึงสนับสนุนให้เราไปทำบาปเพราะว่าเวลาเราเสพแล้วมันจะทำให้เราขาดเงินทองหรือขาดสติเช่นคนดื่มสุรายาเมาเวลาดื่มแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมใจวาจาและการกระทำทางกายเวลาคิดอยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยออกมาเลย ซึ่งเวลาส่วนใหญ่เวลาเมาก็มักจะคิดแต่เรื่องไม่ดีเพราะมีอารมณ์ไม่ดีมักจะคิด เ, เรื่องที่ไม่ดีพูดก็อยากจะพูดคาหยาบเนี่ยคนเดม์ชาลาจึงมักจะเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยคนเมาเวลาเมาแล้วไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะเมาแล้วมักจะอาละวาด เรียกว่าอารวาสทางกายทางวาจาทำให้ผู้อืนเขาเดือดร้อนเสียหายได้หรือถ้าขับรถยนต์ก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อนเสียชีวิตก็ได้นี่ท่านถึงห้าไม่ให้เสพอบายามุก ค, คือสุรายาเมาส่วนอายบายามุกข้ออื่นเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะ ความเกลียดคร้านการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปเสพไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะการเล่นการพนันมีแต่จะต้องเสียเงินเสียทองไม่ช้าก็เร็วเล่นไปใหม่ๆอาจจะได้กําไรก็ได้เวลาได้กําไรก็อยากจะเล่นต่อ เวลาเสียก็อยากจะเล่นเอาคืนก็ต้องเล่นไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเมื่อเล่นไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ต้องเสียพอเสียก็ต้องขายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเพราะไม่ได้ไปทำงานคนเล่นการพนันแบบเป็นอาทีพนี้จะไม่ไปทำงานจะเล่นการพนันคิดว่าจะสามารถหาเงินหาทองจากการเล่นการพนันได้ แต่เราก็รู้กันว่าเล่นแล้วมันต้องมีได้มีเสียเวลาได้ก็ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบไม่ไม่ระมัดระวังเวลาเสียก็ต้องไม่มีเงินสัมปองก็ต้องไปเอาทรัพย์ที่มีอยู่ไปขายในที่สุดก็เงินทองก็จะหมดหรือไม่พอใช้ถ้าต้องการใช้เงินทองเมื่อไม่ได้ทํางานก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทํำบาปนั่นเอง ไปโกหกหลอกลวงยืมเงินของผู้อื่นหรือไปลักขโมยเงินของผู้อื่นแล้วถ้าไม่พอใช้อาจจะไปป้นไปจี้ต่อใช้อาวุธปืนไปป้นร้านขายทองพอเจ้าของร้านทองมีอาวุธต่อสู้ก็เกิดฆ่ากันตายอีกก็เลยเป็นบาปขึ้นมาถ้าไม่เล่นการพนันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินทองแบบนี้ พราะเมื่อเราไม่เล่นการพนันเราก็ไม่ทํางานทําการของเราเราก็จะมีรายได้มาจุนเจือมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปอไปลักขมโมยไปกู้เงินไปหลอกเงินของคนอื่นมาใช้นหรือไปป้นไปจี้ซะล้านล้านขายทองล้านอะไรต่างๆอาบายามุกมันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย การพนันนี้ก็จะมีรายจ่ายเล่นการเที่ยวเตะก็มีแต่รายจ่ายความเกลียดข้านก็ไม่มีรายรับเนีเห็นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ามีอย่าไปเสพอบายามุขอย่าเดิมสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะอย่าเกลียดข้านแล้วก็อย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ย เพราะคนที่ชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขนั ite, ่นเองคนที่ชอบดื wrong, no like like ่มสุราพอเขาอยากจะดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปเป็นเพื่อนไปดื่มสุราด้วยคนที่อยากเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวก็จะชวนเราไปเที่ยวคนที่ชอบความเกลียดค้างก็จะชวนให้เราเกลียดค้าง แทนที่จะชวนเราไปทํางานก็ว่าอย่าไปทํางานดีกว่าอไปนั่งเฉยๆไปเล่นไปทําอะไรกันดีกว่ากันก็จะไม่มีรายได้ตกงานแต่มันมีรายจ่ายคนเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเลี้ยงเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากต่างๆพอไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย เดี๋ยวเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้เงินทองมาถ้าไม่เสพบาบายามุกแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะบังคับบีบเราให้ไปทำบาปกันนี่คือการปิดทางที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องการจะไป เราต้องการไปนิพพานกันเราต้องการออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดขั้นต้นเราก็ต้องปิดอบายปิดทางไปสู่อบายด้วยการไม่ทำบาปด้วยการไม่เสพอบายยามุกเนพอเราปิดทางนี้ได้แล้วเราก็จะได้เดินทางไปขึ้นไปทางเหนือได้ออกเดินทางจากภพของมนุษย์ไปสู่ภพของเทวดาได้ การจะไปสู่พบของเทวดาเราก็ต้องทำบุญทำกุศลต่างๆแล้วการทำความดีต่างๆนั่นเองทำทานอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เสียสละข้าวของเงินทองแบ่งข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่มากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้เฉยๆเราก็ไม่ได้ใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้สู้เอามาทาบุญดีกว่า เพราะบุญนี้จะเป็นผู้ส่งจิตใจของเราให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพนั่นเองถ้าเราทำบุญทำกุศลบุญมีหลายแบบทำด้วยเงินทองเช่นทำบุญทำทานทำด้วยข้าวของอถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีความรู้สอนคนอื่นให้เขามีความรู้เช่นสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนวิชาเออ อะไรต่างๆให้กับเด็กนักเรียนที่เขาต้องการที่จะเรียนพิเศษเพื่อเสริมความรู้ถ้าเราสอนเขาโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทอง mm. ก็เรียกว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่ง mm. เรียกว่าวิทยาทานถ้าเราให้อภัยคนอื่นคนที่เขามาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราไม่อาคตาพยาบาทเราให้อภัยเขาก็เรียกว่าการให้อภัยทาน ถ้าเรามีธรรมะรู้รู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของวิธีการที่จะพาให้เร า, าพ้นทุกข์ด้วยวิธีของธรรมะเวลาใครมาปรับทุกข์เราก็บอกธรรมะสอนธรรมะให้เขาไปเราก็จะให้ธรรมะกับเขาก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องทำด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามีเงินทองก็ทำด้วยเงินทองถ้าเราไม่มีเงินทองมีความรู้ก็ให้ความรู้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีใจที่เมตตาเวลาใครก็มาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็อภัยเขาไปออถ้าเรามีธรรมะเวลาใครมาปรับทุกข์เราก็สอนธรรมะให้กับเขาไปออนอกจากนั้นเรายัางสามารถให้ทางทางวั ทางกายได้ด้วยเช่นเรามีเวลาว่างเราไปทําประโยชน์ก็ได้เช่นมาวัดบางท่านก็มาช่วยกันกวาดบริวาดให้สะอาดช่วยกันล้างห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอันนี้ก็เป็นการทาบุญทากุศลเหมือนกันหรือจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเช่นไปเป็นผู้ หน่วยกู้ภัยไปช่วยเก็บศพช่วยพาคนเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลการกระทาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นประโยชน์เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเป็นเทวดากันทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานนี้ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนถึงจะไปถึงนิพพานได้เราจะข้ามขั้นไม่ได้เราต้อง ขั้นแรกเราต้องปิดประตูาบายก่อนเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ละเว้นการเสพอาบายามุขให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะมาทำบุญทำทานได้ เพราะว่าคนที่เสบบายยมุกจะไม่มีเงินมาทำบุญนั่นเองจะเอาเงินไปเสบบายยมุกเพียงอย่างเดียวก็จะยากต่อการทำบุญแต่คนที่ไม่เสบบายยมุกก็มักจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็จะเอาเงินนี้มาใช้กับการทำบุญทำทานหรือถ้าไม่มีเงินแต่มีเวลาเพราะไม่ได้ไปเสบบายยมุกเอาเวลาที่จะไปเสบบายยมุกไปเที่ยวเต ไปเล่นอะไรมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เป็นการทำบุญเป็นการส่งจิตให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นขั้นที่หนึ่งคือสวรรค์ชั้นเทพนะ แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่านี้ถ้าเราอยากจะไปถึงนิพพานเราก็ต้องขึ้นสวรรค์จากชั้นเทพขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปนะการจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะว่าการถือศีลแปนี้จะทำให้เรางดกิจกรรมต่าง ที่เกี่ยวกับการเสพกามนั่นเองถ้าเราอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นกามออกจากกามมาพบเราก็ต้องยุติการเสพกามไม่ฉช่นั้นเราก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าไม่ได้คือชั้นรูปประพรมกับอรูปประพรมชั้นรูปประพรมกับรูปประพรมนี่เขาไม่เสพกามกันเขาไม่ร่วมหลับนอนกันเขาไม่ดูหนังฟังเพลงเขาไม่แต่งเนื้อแต่งตัว โดยเสื้อผ้าภรณ์ที่วิจิตพิสดารไม่เสริมสวยความงามทำผมทำเเผาทำหน้าทำตาไม่ใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไม่นอนมากเกินไปนอนพอพักผ่อนร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างสวรรค์ชั้นพรหมคือการนั่งสมาธิเพื่อเข้าสู่ฌานขั้นระดับรูปฌปาน การจะเข้าสู่ระดับรูปฌานได้ก็ต้องมีการเจริญสติต้องรู้จักการควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเพราะความคิดเรื่อยเปืนน่อยนี้จะไม่ทําใจให้เข้าสู่ฌานได้นั่นเองเข้าสู่ความสงบใจจะสงบได้นี้ต้องมีสติซึ่งเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์การที่จะทําให้รถยนต์จอดได้เวลาที่รถวิ่งอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรคกัน ถ้าไม่มีเบรกรถก็จะไม่จอดตามที่เราต้องการกว่าจะจอดก็ต้องไปชนต้นไม้หรือไปชนกับรถคันอื่นก่อนถึงจะจอดได้แต่ใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจของเราไม่มีสติใจของเราก็จะไม่มีวันที่จะสงบที่จะหยุดที่จะเข้าฌานได้การที่จะให้ใจของเราเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้เราจึงต้องมีสติ ถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้การฝึกสติด้วยการใช้กรรมฐานกรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราจะเอามาใช้ในการควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดแต่ในเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้พวกอนุสติ ่าณุสตินี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากสามารถทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เช่นที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยที่สุดก็คือให้เราบริกรรมพุทธโทธพุทโธการบริกรรมพุทธโทธนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสตินี่เองระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะระลึกแบบพิศดานก็ให สวดบท อ, อิติปิโสไปอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้สวดไปหลายหลายรอบหลายๆจบสวดไปเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องการให้ใจเราคิดฟุง้งซ่านเราก็มาพุทโธก็ได้นรืมาสวดบทอิติปิโสก็ได้ถ้าเราต้องการใช้ธรรมานุสติเราก็สวดบทธรรมคุณอสวาขาโตภะกวาตาธรรมโม ถ้าเราต้องการใช้สังขานุสติก็สวดสุปฏิปันโนไปหรือจะเอาทั้งสามองค์ก็ได้สวดทั้งสามองค์สวดอิติปิโสแล้วก็สวดสวากขาโตแล้วก็สวด ส, สุปฏิปันโนไปหรือจะใช้คำว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้ยังได้อย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะชอบเพื่อเป็นการหยุดความคิดต่างๆ ถ้าเราอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการบริกา ร, รพุทธโธธรรมโมหรือสังโฆใจของเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ การบริกรรมนี้เป็นประโยชน์เพราะเราใช้ได้ในทุกิริยาบทไม่ว่าเราจะเดินยืนนั่งหรือนอนหรือเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราต้องไม่ต้องการให้มันคิดเราก็ใช้คำบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์นี้ไปในใจใจของเราก็จะว่างจากความคิดได้แล้วเวลาที่เรามานั่งถ้าเราต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานเราต้องนั่งเฉย เพราะว่าถ้าร่างกายยังมีการกระทามีการเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าใจยังกำลังทํางานอยู่เพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งนั่นเองใจเป็นผู้เชิดร่างกายนี้เป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์การที่จะให้หุ่นยนต์หันซ้ายหันขวาเราต้องคอยกดปุ่มสั่งมันหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเดินไปข้างหน้า เดินมาถอยหลังผู้ควบคุมยังต้องทำงานอยู่ถ้าผู้ควบคุมต้องการหยุดทำงานก็ต้องให้หุ่นอยู่เฉยๆเบิ้อ่างกายนี้เป็นเหมือนหุน่นถ้าใจต้องการนิ่งต้องการสงบเต็มที่นี้ใจต้องให้น่างกายนั่งอยู่เฉยๆ พอนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มาหยุดความคิดต่อด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้หรือถ้าเราบริกรรมมาแล้วเราเหนื่อยอยากจะหยุดบริกรรมเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้การดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปณะสติเอ คือการรู้ลมเข้าลมออกปานาปานะเนี่ยแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกถ้าเราลละลึกรู้จดจ่ออยู่ ก, กับการดูลมหายใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูลมหายใจแล้ว น, นี่คือกระบวนการที่จะพาให้จิตของเราเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ ถ้าเรามีความเพียรพยายามคอยควบคุมใจด้วยสติอยู่เรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะเข้าสู่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้เราก็จะได้ก้าวออกจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้เพราะว่าเวลาเราได้ฌานแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากการมาพบนั่นเองสุขของของระดับ รูปประพรมการรูปประพรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามภพคือภพของเทเภพของเทวดาท่านถึงบอกว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขของพรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้คือขอบวนการที่จะพาให้เราขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ออกจาก ไตพบได้ตอนต้นเราต้องออกจากอบายก่อนปิดอบายพอปิดอบายแล้วเราก็ต้องออกจากการมาพบออกจากการเป็นเทพเป็นมนุษย์แล้วก็ไปสู่การเป็นเป็นพรหมสองระดับเป็นพรหมที่มีรูปเรียกว่ารูปประพรหมกับพรหมที่ไม่มีรูปเรียกว่าอรูปประพรหมพอเราเคลื่อนสู่ขั้นอรูปประพรหมได้แล้วเราก็จะเริ่มออกจาก สังสารวัฏออกจากไตพบได้เพราะเหนือเหนือจากรูปประรมก็จะมีขั้นอริยบุคคลสี่ขั้นรอเราอยู่ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอน า, าคามีและขั้นพระอาหารหันต์การที่เราจะออกจากพมโลกไปสู่ โลกของพระอริยเจ้าได้เราต้องเพิ่มการปฏิบัติขึ้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเราต้องมาศึกษาความเป็นจริงสาเหตุที่ดึงให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามะพภว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงใจของเราให้ยังต้องกลับมาเกิดในกามะพภะถึงแม้ว่าเราจะอยู่สวรรค์ชั้นพรมก็ตามเดี๋ยว จิตมันก็จะเสื่อมลงไปสู่สวรรค์ชั้นเทพกลับไปเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะตัวที่จะมาดึงให้จิตเสื่อมมันยังมีอยู่ในใจของพวกเราอยู่ตัวที่มันจะดึงให้จิตของเราลงต่ำก็คือกามนี่เองกามะตัณหาความอยากความอยากได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกิจลดถ้าภาวะตัณหาก็คือความอยากเสพความสงบของของ ของรูปปัปพมเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือคอความอยากเสพความสุขของอรูปปัปพมถ้าเราต้องการที่จะออกจากไตรภพเราก็ต้องมาละตันหาทั้งสามนี้ถ้าละกามาตันหาได้ก็จะออกจากกามกาภพอย่างถาวรการออกจากกามาภพด้วยการใช้สติ ด้วยการรักษาสีนี้ยังไม่เพียงพอยังไม่ถาวรจะออกได้อย่างถาวรต้องกำจัดตัวที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดในการมาพบในรูปภพและอรูปภพตัวที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดก็มีสามตัวนี้กามตัญหาก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดในการมาพบเพื่อมาเสด็จกรมต่อภาวะตัญหาก็จะดึงใจให้ติดอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปภพ ภาวะวิภาวะตัณหาก็จะดึงใจให้ติดอยู่กับสวรรค์ชั้นอรูปภพเนะ่ยถ้าอยากจะออกจากภพทั้งสามนี้ก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้เวลาเกิดตัณหาทั้งสามนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าภพทั้งสามนี้เป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปเกิดอยู่ในภพเหล่านี้แล้วจะต้องเจอความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมด อยู่สวรรค์ชั้นพรมเดี๋ยวมันก็เสื่อมก็ตกสวรรค์จากสวรรค์ชั้นสูงมาอยู่สวรรค์ชั้นต่ำเหมือนคนที่เคยอยู่โรงแรมห้าดาวเราต้องมาอยู่โรงแรมหนึ่งดาวนี่มันก็จะเห็นว่าโอ้ยต่างกันคนละระดับก็จะไม่พอใจถ้าใครถูกยก ลดระดับลงคนที่นั่งอยู่ชั้นหนึ่งบนเครื่องบินแล้วอก็ามาบอกเสียใจตัวของคุณไม่ได้เป็นชั้นหนึ่งต้องกลับไปนั่งชั้นธรรมดานี่มันก็จะเห็นความแตกต่างของความสุขของความสบายก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความขุนใจขึ้นมาในใจนี่แหละคือความทุกข์เวลาที่เราต้องเสื่อมจากสวรรค์ชั้นต่างๆลงมา แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกก็ต้องทุกข์อีกดฉงนั้นการที่เรายังมีตัณหาทั้งสามอยู่นี่ มันก็จะคอยฉุดให้เรากลับมาเกิดในไตภพอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดในไตภพเราก็ต้องตัดกามะมากามะตัญหาถ้าตัดกามะตัญหาได้ก็จะไปเป็นพระอนาคามีพระโสดาบาัตกับพระสกิดาคามีนี่ยังตัดกามะตัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพียงบางส่วนแต่พระอนาคามีนี้ตัดกามะตัญหาได้หมด ก็จะไม่ต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจะยังไปติดอยู่ที่ภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ยังไม่ได้กําจัดก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมชั้นรูปประรมและอารูปประพรมถ้าอยากจะออกจากสวรรค์รูปประพรมมารูปประพรมมก็ต้องตัดภาวะตันหากับวิภาวะตันหาด้วยปัญญาเหมือนกันด้วยการเห็นว่าอ พบทั้งสองนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมเวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาออพอตัดภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ก็จะตัดสิ่งที่จะดึงจะจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในพบทั้งสามได้ก็จะบรรลุ เ, เป็นพระอรหรันต์ พอถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะออกจากตายภพทันทีก็จะเข้าสู่พระนิพพานไป น, นี่คือเรื่องของขอบวนการหรือแผนที่ที่จะพาเราให้เราไปรับมรดกอันน้ําค่าของพระพุทธเจ้าก็คือพระนิพพานการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรากําลังติดกันอยู่ในขณะนี้เราจะติด การไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นถ้าเราไม่มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะไม่มีวันรับมรดกอันล้าค่าของพระพุทธเจ้าคือพระนิพพานได้ถึงแม้เราจะถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพ่อของเราก็ตามแต่การถือเฉยๆนี่ยังไม่ ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกการที่จะรับมรดกได้ต้องแสดงว่าเราเป็นลูกจริงการที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจริงเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการถ้าเราปฏิบัติคาสอนทุกประการละอบายามุขละการกระทาบาปทั้งปวง สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชําระตันหาความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปอันนี้แหละจะทําให้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกอันลร่ำค่าของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้รับมรดกอันรําค่าคือพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาศึกษา เรียกว่าปริยส์เมื่อศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอันนี้เป็นวิธีการมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการแล้วจะเป็นพิธีวิธีการอย่างนี้ไปทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมากี่พระองค์ มาสั่งมาสอนธรรมะก็จะสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์สอนสามข้อนี้แหละให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ย ผู้ใดสามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะได้รับมรดกอันล้ำค่าคือพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาหปุราปาริปุรเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินามเปตานังอุปปักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีจดีอราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวัทานติอายุวนโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถา ม, ถามอยากถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกประชุมแล้วก็จะของดเรื่องการถามตอบถ้าใครอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ยอดทาง facebook มีสามรอยเจ็ท่านค่ะยูทูบสองร้หสหท่านค่ะ วิทยุยี่สิบสองท่านผู้รับฟังบนข่าวมีสองร้อยท่านค่ะรวมเป็นเจ็ด้อยแปดสิบห้าท่านค่ะใครอยากจะถามก็ถามได้เดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปหน่อย อ, ะอะจะได้ยินเสียงกันพูดใกล้ๆปากเลยดังๆค่ะากาบนมัมสการเจ้าค่ะอยากทราบว่าอาการของ ที่ว่าเดินเข้ามาแล้วเกิดอาการขนหัวลุกมากมันเกิดจากอะไรเจ้าคะก็เป็นปฏิกิริยาของจิตใจเราต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประทับใจมันก็เลยเกิดอาการปิติขึ้นมาเด็กบางคนเห็นดารานันกแสดงก็ร้องกรีดกันน ะ, ะมันก็แล้วแต่ว่าไปเห็นอะไรที่ประทับใจ แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาก็ไม่เสียหายอะไรก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่อจีรังถาวรฮะเป็นความรู้สึกชั่วประเดียวประดาอย่าไปยึดอย่าไปติดมันมให้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติของจิตใจที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆบางทีไปเจอเห็นอะไรไม่ชอบก็เสียใจขึ้นมาก็มี ร้องไห้ก็มีหวาดกลัวก็มีนี่คือลักษณะของจิตใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบร ม, มถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมได้ฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาแล้วต่อไปจิตใจจะเป็นอุเบกขาจะเฉยกับทุกอย่างที่อาการตรงนี้จะไม่เกิดใช่ไหมคะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดก็ได้แต่ก็ควบคุมได้พอเกิดก็หยุดมันได้แล้วก็มีสถานที่ที่บ้านนะคะ ที่บนดาดฟ้าทุกครั้งที่เดินขึ้นไปทุกวันมันก็จะเกิดอาการสู้ทุกครั้งที่เดินขึ้นไปมันก็นนเป็นอย่างเงี้ยม า, เ ป, ยาเป็นปีนแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลไงสถานที่เป็นเหตุแล้วผลก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจของเรา แต่ละสถานที่จะมีผลต่อจิตใจเราต่างกันไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไร <c oughs> ถ้าต้องการที่จะไม่ให้มันมีปฏิกิริยาก็ต้องฝึกจิตให้มากๆฝึกสติหรือเวลาเกิดอาการนั้นถ้าอยากจะหยุดก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดได้ล <c oughs> องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไป <c oughs> เพื่อเบี่ยงเบนจิตของเราออกไปจากตรงนั้นใช่ดึงจิตออกจากเหตุการณ์นั้นเอ เวลาโกรธเวลาเสียใจก็พุโทโธพุโทโธไปสักพักเหนียวมันก็หายและอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างบางครั้งไปเข้าใกล้สิ่งที่แบบมีพลังเนี้ยเราไม่รู้ว่ามีพลังหรือไม่แต่ว่าเราก็จะเกิดอาการ ขั้นเนื้อขั้นตัวขนลุกขนพองก็เช่นเดียวกั น, นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เหมือนกันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตเราต่อสิ่งทั้งที่เห็นกับตาและไม่ได้เห็นกับตาเพราะมันมีทั้งของที่ละเอียดกว่าที่ตาจะเห็นได้แต่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจเอ ก, ก็เป็นเหมือนกันเป็นเรื่องออของจิตของเราที่จะมีความไหวอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้คือที่แน่ๆคือเราต้องฝึกให้เข้มแข็งฝรนี้ถ้าฝึกเข้มแข็ง้ต่อไปจิตเราก็จะเฉยได้กราบสาธุเจ้าค่ะคุณขวัญอยากจะถามทำนี้าได้อัอนนี้โอเค ขอโอกาสเจ้าค่ะหนูถามแทนเพื่อนที่มาด้วยกันมีคำถามว่าเขาอ่านหนังสือว่ามีหนังสือสอนว่าเช้ชาตื่นนอนมาให้เราบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นโลกที่ดีของเราเป็นวันที่ดีของเรา ม, มันจริงไหมอะค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องวิธีการที่จะเหมือนกับเตรียมใจของเราให้ให้พบกับเหตุการณ์ที่ดี แต่ความเป็นจริงเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เราไปสั่งมันไม่ได้เสมอไปบางวันมันก็ดีบางวันมันก็บูดก็เบี้ยวนั้นสั่งได้ขอได้แต่จะได้ดังใจหมายหรือไม่นั้นคงจะไม่ไม่ได้เสมอไปถ้าได้ทุกคนก็สั่งกันวันนี้ขอให้ทุกเงินทองไหลมาเช่นวันนี้หวยออกนี่ <c oughs> ขอให้มันไหลมาเยอะๆมันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันไม่แน่นอนเนีย งันบางทีเพียงแต่พูดเพื่อให้กำลังใจตัวเองมากกว่าให้มีความหวังว่าออวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานนี้อะไรทำนองนั้นแต่มันก็อาจจะทำให้ผิดหวังได้ถ้าตามหลักศาสนาของพุทธเหล่านี้สอนว่าให้ทำใจยินดีกับอะไรจะเกิดจะดีกว่ายินดีตามมีตามเกิดดีกว่า จะมาแบบไหนรูปแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นก็จะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจถ้าไปตั้งเป้าสูงแล้วได้ต่ำก็จะเสียใจถ้าไม่ได้เลยก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่ไปตั้งเป้าหมายอะไรเลยก็จะไม่มีวันเสียใจวันนี้ไม่ถูกหวยแต่กอดถูกขึ้นมาก็ดีใจถ้าไม่ถูกก็ไม่เสียใจแต่ถ้าไปตั้งว่านี้ต้องถูก พอหวยออกแล้วอ้าวไม่ได้ถูกเลยเสียใจเลยใจตกต่ำเพาฉะนั้นวิธีรักษาใจก็คืออย่าไปตั้งอะไรทั้งนั้นทําใจให้รับกับเหตุการณ์ความเป็นจริงผลจะตกแดดจะออกได้ทั้งนั้นอย่างนี้จะดีกว่าเพราะใจของเรานี่ถ้าได้ฝึกฝนอบรมแล้วรับกับทุกสภาพได้ได้ก็รับได้เสียก็รับได้ ดินทากรับได้เฮ้ยความสรรเสริญก็รับได้ไดถ้าฝึกจิตดีแล้วจิตจะเป็นเหมือนใบไม้ใบบัวหยวดน้ําหยดลงมามันจะไม่ดูดเข้าหากันแต่ถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนนี่จะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมพอก็น้ําหยดลงไปปั๊บมันจะดูดเข้าไปเลยพอจิตสัมผัสกับอะไรนี้จะมีปฏิกิริยาทันทีดีใจก็ดีใจสุดๆเสียใจก็เสียใจสุดๆเนี่ย เทีนี้เราไปควบคุมเหตุการณ์ที่จะให้แต่เราดีใจไม่ได้บางทีก็เจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เราเสียใจแต่ถ้าเราฝึกจิตแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ดีใจเราจะเฉยเฉยเพราะเรารู้ว่ามันก็แค่เป็นแค่อารมณ์ชั่ ว, วขณะหนึ่งเท่านหนึ่งดีใจก็ชั่วขณะหนึ่งเสียใจก็ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไป แต่ถ้าเราไปยึดไปติดเวลาเสียใจก็อยากจะให้มันหายมันยิ่งเสียใจใหญ่มันก็เลยทำให้เสียใจนานเลยแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปปล่อยมันมาแล้วปล่อยมันไปมันก็จะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจของเราการฝึกจิตเราต้องการฝึกให้จิตปล่อยวางจิตจะได้ว่างเพราะความว่างของจิตนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงจิตว่างแล้วเบาสบาย พอจิตมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาทันทีเถึงแม้จะถูกหวยก็หนัก อ, อกหนักใจยามเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวคนนั้นจะมาขอยืมแล้วมันคนนั้นจะมาขอเอเอนั่นนี่คือวิธีการ ตั้งใจของเราอยู่ที่อุบเบกขาดีที่สุดนะทำใจเราให้เฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายอะไรก็ได้เรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจ กับขอพระคุณเจ้าค่ะเออเขาอกาสบอกเพื่อนที่มาด้วยว่าถ้าได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วโอกาสดีๆแบบนี้หายากนะคะก็ขอให้มีอะไรในใจก็ขอให้อกล้าที่มาถามครูบาอาจารย์อายครูไม่ดูวิชานะจ๊ะข่ะคุณค่ะเขียนเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าเป็นใครอต่อไป มีคำถามจากคุณตากสมบัตินะคะกราบในมัสการครับการปฏิบัติดูกรรมฐานห้าจนเห็นภาพด้วยใจแล้วพิจารณาจนถึงพระอริยะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับกราบสาธุคือการพิจารณากรรมฐานห้าก็คือพิจารณาความจริงของร่างกายร่างกายมีอาการ ภายนอกก็มีอยู่ห้ า, าการเช่นผมขนและฟันหนังนอกจากนั้นเราก็ต้องดูอาการภายในต่อให้เป็นอาการสามสิบสองกันกรรมฐานสามสิบสองเพื่อเราจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของร่างกายว่าสวยภายนอกแต่ไม่สวยภายในเราจะได้ไม่หลงลักใครจนเกินไปถ้าเราเห็นแต่ภายนอกเราอาจจะหลงลักจนบ้าคลั่งได้ ถ้าเราเห็นส่วนที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะอาจจะรู้สึกเฉยเฉยแล้วเราจะได้ไม่เป็นบ้าเราจะได้ไม่เสียใจเวลาที่เราไม่ได้หรือเวลาเราเสียคนที่เรารักไปเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเสียดายอะไรมากนะักนี่คือการปฏิบัติ พิจารณาอาการ32เริ่มต้นที่กรรมฐาน5คืออาการ5ประการเราเริ่มต้นจากข้างนอกเข้าไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังหลังจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูปอดดูตับดูหัวใจดูลำไส้อะไรต่างๆเราจะได้เห็นภาพที่ครบบริบูรณ์ของร่างกาย ถ้าเราจะได้ไม่ไปหลงรักใครไปหึงหวงใครเพราะถ้าก็หึงหวงกับอาการ32นี้เท่านั้นเองรักก็รักกับอาการ32นี้เวลาเสียใจก็เสียใจกับอาการ32นี้มันก็จะหายจากการรักการหึงหวงความเสียใจที่เกี่ยวกับร่างกายของเราและของผู้อื่นคำถามต่อไปจากคุณโสภิตพารานุภาพ นั่งดูลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ต้องบริกรรมแล้วจะทำแบบไหนคะน้อมกราบสาธุคะ่ะก็ดูเฉยๆไงถ้าเราไม่อยากจะบริกรรมเราก็เฝ้าดูเฉยๆ เช่นนุตานี้กำลังหายใจเข้าก็บอกว่ากำลังหายใจเข้า ก, กำลังหายใจออกก็บอกว่ากำลังหายใจออกไปหรือไม่ต้องบอกก็ได้ให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆให้จิตมีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองคือคาถามต่อไปจากคุณธนากรขอโอกาสครับถ้านั่งสมาธิหลับตาแล้วตั้งสติไว้ตรงหน้า โดยไม่บริกรรและดูลมหายใจแต่รับรู้ความรู้สึกภายในที่อยู่ตรงตาภายในที่เราหลับได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกเพราะมันจะไม่ทำให้ใจสงบถ้าดูใจเดี๋ยวใจมันก็จะหลอกเราปรากฏภาพต่างๆขึ้นมาภาพดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วถ้าเราหลงเราก็จะคิดเป็นนู่นเป็นนี่ไป แล้วทำอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนเสียสติไปได้เพราะว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนภาพหลอกของจิตใจ แต่เราไปคิดว่าเป็นจริงคิดว่าเราเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรขึ้นมาตามที่จิตมันสร้างภาพขึ้นมาหลอกเรางั้นการนั่งเราไม่ต้องการเห็นอะไรในขณะที่เรานั่งเราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบให้ว่างเราต้องการความสุขจากการนั่งเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปมีแฟนอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร มีความสุขในตัวแล้วสบายไม่มีความเสียใจไม่มีความผิดหวังถ้ามีความสุขกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องเสียใจต้องผิดหวังาการนั่งสมาธิเพื่อหาความสุขอีกแบบหนึ่งไม่ต้องการนั่งดูอะไรเห็นอะไรดูแล้วมันไม่มีความสุขอย่าไปดูมันดีกว่าดีไม่ดีดูแล้วเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาต่อไปไม่กล้านั่งก็มี บางคนนั่งแล้วไปเห็นภาพที่น่าหวาดเสียวหวาดกลัวขึ้นมาก็ไม่การนั่งแล้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยเวลานั่งต้องมีสติกํากับใจต้องคอยควบคุมใจอย่าให้ผลิตอาการต่างๆมาหลอกใจเอให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับลมหายใจไปแล้วจะไม่มีอาการขึ้นมาหลอกเรา ถ้ามีก็อย่าไปสนใจมันอาจจะยังมีกำลังโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วก็พุทโธต่อไปอย่าไปอย่าไปตามรู้อย่าไปตามเห็นอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือสนใจอยู่กับการดูลมหายใจแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆที่มันแทรกขึ้นมามันก็จะหายไปหมดแล้วใจก็จะสงบว่างเย็นสบายมีความสุขมากคำถามต่อไป จากคุณจามจุลีพรพง์วัฒนาคุณกราบขอโอกาสพระอาจารย์กราบะกราบเรียนถามตัวเองเป็นต้นเหตุเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ทำให้สัตว์เลี้ยงดัดตายโดยไม่เจตนาต้องฝึกใจอย่างไรให้หายจากการคลายทุกจากเหตุการณ์นี้เจ้าคะ่ะก็เห็นว่ามันเป็น ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปแล้วจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปกาหนดได้เป็นอนัตตาถ้าไปยึดไปติดอยากจะให้เขาไม่ดับอยากให้เขาอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ถ้าเห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้ถึงเวลาเขาจะต้องตายไม่ว่าจะตายด้วยเหตุสาเหตุใดก็ตายเหมือนกัน ทุกคนจะต้องมีความตายตามมาถ้ายอมรับความตายได้ความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายใจก็จะหายไปฉั้นหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ ถ้าเราสอนใจบ่อยๆใจเราก็จะซึมทราบแล้วก็รับความความจริงอันนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะรับได้หมดเวลาเกิดเวลาเกิดความตายเกิดการพัฒนาก็บอกว่านี่แหละมันเป็นเรื่องธรรมดา เ, ออเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดดออกก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้เป็นสั่งก็ไม่ได้ ในเรื่องของความตายเราก็ไปห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสันติชัยพรวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอให้พระอาจารย์ให้อวาตหลักธรรมสักข้อเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตครับ ก็เพ่งใหยเมื่อกี้นี่แหละเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆอันนี้แหละเป็นพอนั้นประเสริฐเพราะว่ามันมีคอยเตือนใจเราอยู่ใจเราจะได้ไม่ประมาทไม่ไปยึดไปติดกับอะไรเพราะรู้ว่าจะต้องมีวันสิ้นสุดลง จะไม่ทุกคำถามจากคุณวิไลลักษณ์ตันตโยทินกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าวันนี้นั่งหลับตาท่องพุโทโธเห็นพุโทโธที่หวัวแต่หลุดอยู่บ่อยครั้งอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรให้พุโทโธมีความต่อเนื่องเจ้าค่ะ ก็ท่องไปเรื่อยๆไงอย่าหยุดท่องพุโทโธอย่าหยุดบริกรรมไม่ต้องไปดูพุโทโธที่หัวให้อยู่กับคำบริกรรมถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็จะโผล่ขึ้นมาคือคำพุโทโธนี่แหละอยู่กับคำบริกรรมไม่ต้องไปดูภาพของพุโทโธว่ายอยู่ตรงศีรษะหรือยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่กับคำบริกรรมถ้าตราบใดเราบริกรรมพุโทโธก็จะไม่หายไป ถ้าเราหยุดบริกรรมพุโทโธก็จะหายไปยันถ้าไม่ต้องการให้หายก็พุโทโธไปเรื่อยๆพอหายก็กลับมาพุโทโธใหม่คำถามต่อไปจากคุณธั ญ, ญพรหากเราทำร้านอาหารบุฟเฟ่และต้องสั่งเนือ้อสัตว์จำนวนมากในแต่ละวันเช่นนี้ถือว่าบาปมากไหมขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ถ้าไปสั่งล่วงหน้าเขาก็ต้องไปทำตามที่เราสั่งคือไปฆ่าสัตว์มาเอาเนื้อมาขายถ้าเราไปซื้อโดยที่ไม่ไปสั่งล่วงหน้าก็ไม่บาปเช่นไปที่ร้านก็มีขายอะไรเราก็ซื้อมาอย่างนี้เราไม่ได้สั่งเขาก็ไม่ถือว่าบาปบาปนี้เกิดขึ้นเพราะหนึ่งเราทำเองฆ่าสัตว์เองหรือสองสั่งให้ผู้อื่นฆ่าให้เราก็เป็นบาปเหมือนกัน ถ้าเราไม่ต้องการทํำบาปแล้วก็อยากฆ่าเองแล้วก็อยากไปสั่งผู้อื่ในให้ฆ่าก็ไปทําซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทีนี้เขามีของเยอะแยะเราก็ไปซื้อโดยที่ไม่ต้องไปสั่งเขาได้แต่ถ้าไปร้านไปร้านเล็กๆเราอาจจะต้องไปสั่งเขาพวกนี้เอาไก่สามโลนะเอาไก่สามตัวเอาหมูสิบโลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปสั่งให้ลองฆ่าสัตว์ฆ่ามาให้เขา อย่าทำแบบนี้เป็นบาปไปซื้อของที่ตายแล้วได้ของที่เขาทําฆ่ามาแล้วแล้วไม่ได้ฆ่ามาเจาะจงให้กับเราคือเขาฆ่าแล้วแต่ใครอยากจะไปซื้อก็ซื้ อ, อได้อย่างนี้เราไปซื้อก็ไม่บาปคําถามจากคุณสิรินภาเพียงน้อยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธิกรรมฐานเราสามารถบริกรรมอย่างอื่น นอกจากพูดโทได้ใหม่เจ้าคะอย่างเช่นอิติปิโสร้อยแปดอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ได้เทศไวลาเมื่อกี้นี่ไงบว่ามีอนุสติสิบอย่างด้วยกันพุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สัขงขารนุสติก็ได้กายกตาสติก็ได้อาการสามสิบสองของร่างกายนี่ก็เรียกว่ า, ากายกตาสติ ฉันได้ทั้งนั้นมีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่เราจะชอบบางคนชอบสังขารนุสติเราเลืกถึงสุปฏิปันโนไปก็ได้ได้ทุกอย่างคำถามต่อไปจากร้านเจเล็กตลาดโรงเกลือนอบน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะเรียนถามาเราอยากบวชแต่ยังต้องดูแลลูกและแม่ เราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็บวชที่บ้านไปก่อนนะบวชบวเท่าที่เราจะบวชได้ซื้อสินเท่าที่เราจะซื้อได้แล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ก็แบ่งทำทั้งสองอย่างไปดูแลลูกไปดูแลแม่ไปแล้วก็ดูแลตัวเราเองด้วยการปฏิบัติจนกว่าภาระหน้าที่ของเราหมดเราก็ค่อยไปบวชเต็มรูปแบบต่อไป ทำไว้ก่อนเวลาถึงเวลาจะได้ไปไปได้ง่ายถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนไม่ฝึกไว้ก่อนพอถึงเวลาแล้วมันก็บางทีจะไม่อยากไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณแพนด้าดีดีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชอบชวนให้เข้าศาสนาคริส และเขาพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าศาสนาพุทธจะสอนให้เรายอมรับกับเคราะกรรมเวรกรรมที่เราทำและให้ปรงสุดท้ายก็ให้เข้าวัดถือศีลซึ่งของมองว่ามันไม่ใช่แต่ทางศาสนาคริส จะมิไม่มีคําว่าคราะกรรมเวรกรรมเบญกรรมเพราะพระเจ้าจะช่วยชําระและล้างบาปให้กับเราแค่นี้มีความเชื่อในพระเจ้าและเราต้องไปสารภาพบาปต่อหน้าพระเจ้าที่โปรดแค่นี้ตายไปเราก็ไม่มีบาปและได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนจริงไหมเจ้าคะก็เหมือนคนละคำสอนกันไงคำสอนของพุทนี่ ทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปทำบุญก็ไปรับผลบุญถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็ไม่มีผลบุญผลบาปไปรับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นของแต่ละศาสนาซึ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความคิดเห็นของเขาเราไม่ไปเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาเราเข้าก็มามาเปลี่ยนความคิดเห็นของเรา เพราะต่างคนอาจจะมองต่างมุมกันมองเห็นไม่เหมือนกันเอ่อยัก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นถ้าเชื่อแบบพุทธก็มาทางพุทธถ้าเชื่อแบบคิดก็ไปทางคิดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยเหมือนเลือกกินร้านอาหารเนี่ยจะกินอาหารส้มตอํอข้าวเหนียวหรือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวน้าก็ไปกินคนละร้านกัน แล้วแต่แต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันแอาหารอาจจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่อยากจะไปพูดเปรียบเทียบเดี๋ยวจะเป็นการเหมือนไปไปยกตนข่มท่านก็ปล่อยให้ไปศึกษากันเอาเองก็แล้วกัน ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันเหมือนไปซื้อรถยนต์นี่เราก็ต้องไปลองขับเนะี่ยยี่ห้อนี้ดีไหม ย, ยี่หอนั้นดีไหมเราไปเปรียบเทียบดูถ้าเราเห็นว่ายี่ห้อไหนถูกกับเราเราก็ซื้อยี่ห้อนั้นก็แล้วกันคำถามหมดแล้วจ้ะค่ะโอเคก็ใกล้เวลาหมดพอดีอยากจะถามอีกเหรอเดี๋ยวส่งไปใไปทั้งนี้หน่อยครับา ก, การนวัสกรรมพระอาจารย์ครับ เคยเมื่อก่อนนะครับผมได้ปฏิบัติทำโดยการาสร้างจังหวะรู้ความรู้สึกตัวของหลวงพ่อเทีนะครับจนได้สังเกตว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปอยู่ที่จิตความรู้สึกที่จิตนะครับพอหลังจากนั้นผมก็มากําหนดความรู้สึกที่จิตโดยหายใจเข้าลึกๆแล้วพอหายใจออกมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายครับทีนี้พอผ่อนคลายเสร็จมันก็จะไปอยู่จุดความว่างครับหลวงพ่อ ผมอยากจะทราบว่าความว่างเนี่ยครับอ่ามันเป็นการเฉยที่แบบเฉยที่พ่อผมคมหรือว่าอะไรครับอมันยังเป็นเฉยแบบคมอยู่มันยังไม่มีความรู้สึกเบาสบายมีความสุขมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าจะให้มันว่างแบบไม่ได้ขมต้องใช้สติคือพุทโธหรือดูลมหายใจไปเป็นตัวที่จะหยุดความ อารมณ์ต่างๆหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วจิตก็จะเบาว่างแบบไม่ได้กดมันนะผมก็ดูลมหายใจอยู่เนืองๆ น, นะครับเวลาถ้าสมมติมันต้องดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบอย่าไปหยุดดูถ้าหยุดดูแล้วมันถ้ามันยังไม่สงบแล้วหยุดดูมันก็จะยังไม่มันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับโอเคนะครับนะครับมีคําถามาไหม ม, า ม, ามีคําถามฝากถามมานะคะถ้าเราเห็นนั่งเห็นกายทิปเราควรจะทำอย่างไรเบื้องต้นนี้อย่าไปสนใจให้เข้ามาดูลมแล้วพุทธโทไปเรื่อยๆันกว่าสิ่งที่เห็นหายไปอย่าไปตามรู้ พราะมันจะทำให้เราหลงทางเพราะทางที่เราต้องการไปในจุดแรกคือความสงบต้องการสมาธิต้องความความสุขจากการนั่งสมาธิถ้าเราได้ความสุขแล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราจะดูด้วยใจที่เป็นกลางดูใจที่เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ก็จะไม่มีปัญหาต่อสิ่งที่เรารับรู้แต่ถ้าใจเรายังไม่เป็นกลางไม่เป็นอุเบกขาเราไปเห็นอะไรเราไปตามเห็นเดี๋ยวใจเราจะเกิดความรักความชังความกลัวความหลงขึ้นมากับสิ่งที่เราเห็นได้เราก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาต่อไปได้ ย่งในเบื้องต้นเรายัางไม่ต้องการไปรับรู้ไปเห็นอะไรทั้งนั้นเราต้องการให้ใจสงบเป็นอุเบกขาก่อนให้ใจมีความสุขไม่ยินดียินร้ายกับอะไรก่อนแล้วค่อยไปรับรู้อะไรต่างๆใจก็จะไม่เสียหลักไม่กลัวไม่ตกใจไม่อะไรต่างๆกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นะแต่ตอนเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปเห็นอะไรเห็นก็อย่าไปสนใจ ให้กลับมาพุโทโธพุโทโธไปเลยมาดูลมหายใจไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบตกลุมตกลบ่ตกมาจากที่สูงแล้วก็นิ่งเยน็นสบายาไม่รู้สึกอะไรกับอะไรทั้งนั้นเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะถ้าอยากจะออกไปรับรู้อะไรก็ค่อยไปต่ อ, อดีไหมคาถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วก็พอดีหมดเวลาพอดี